ที่นี่สอรทร f m อฟเข้าพเจาพระมหาไพบูุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกในช่วงนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยในแต่ละวันนั้นเราก็จะนำเนื้อหาที่เป็นไปในทางคาสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ฟังกันบ้าง เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้บางตอบคำถามบ้างเกี่ยวกับหมวดธรรมเป็นข้อๆต่างๆบ้า ง, างแล้วก็พระสูตรในเรื่องราวต่างๆข้าพเจ้ามาในที่นี้ก็มาทำหน้าที่ของสมณนะรรบวงในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจม่มแจง้งโดยในวันที่ได้ให้ฟังพระสูตรก็จะนำมาอ่านในธูรมบ ฟ, ฟังเลย เนื้อหาพระสูตรที่มาอ่านในฝั่งนั้นน้ำผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่ามันเป็นพุทธพจน์ ท, ที่มีการเก็บรักษากันโดยเหล่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นความสําคัญจํากันมาเก็บรักษากันมาเก็บรักษามาแล้วก็นํามาบรรจุจดลงเป็นตําราคมภีร์จัดเรียบเรียงมาอยู่ในพระไตรปิฎกเราได้รับข้อมูลมาเนี่ย ฟังให้ดีตั้งใจฟังถึงแม้ว่าบางทีอาจจะฟังยากบ้างในคำศัพท์ต่างๆอาจจะเป็นศัพท์ภาษาบาลีบ้างหรือว่ามีเนื้อหาที่ซ้าไปซ้ามาแต่ถ้าเราฟังในะตะบูฟังประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังตัวนี้จะมีมากเพราะว่าถ้าเราฟังทำความเข้าใจให้ได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันจะเกิดความแจ่มแจ้งไม่ว่าธรรมะหมวดไหนที่ใครจะอธิบายก็ตามข้าพเจ้านามาพูดให้ตูฟังฟัง กุรูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุหรือว่าคารวาส ท, ที่มาบอกสอนหรือหนังสือหนังสือเล่มไหนที่ตัมบูฟังอ่านมาคลิปวิดีโอไหนที่ดูมาฟังมาเนี่ยเขาจะต้องเอามาจากแม่บทตรงนี้เราจะต้องกลับมาถึงแม่บทให้ได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นเหมือนจะเพี้ยนตัมบูฟังเพราะว่าในคําสอนเนี่ยในศาสนานี้บางอาจจะนะมีผู้สอนคนเดียวนั่นคือพระพุทธเจ้า ก็ื่นสอนไม่ได้ในศาสนานี้เป็นอย่างนี้นะคือที่ผูกขาดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเพราะว่าคุณสมบัติท่านสูงมากไม่ใช่เป็นภิกษุธรรมดาธรรมดาแต่เป็นภิกษุที่มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุท ธ, ธะซึ่งในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีใครมีความสามารถเท่าท่านจะใกล้เคียงที่สุดก็ยังห่างกันมากนั่นก็คือท่านพระสารีบุตรที่รพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็น อัครส า, าวกเบื้องขวาต่อให้เอาความสามารถของอัครส า, าวกเบื้องซ้ายคือท่านพระมหาโมกขลานะมารวมกันด้วยแล้วเนี่ยก็ยังไม่เท่าของพระพุทธเจ้าอยู่ดียังห่างไกลกันอีกมากเพราะฉะนั้นท่านมีความสามารถในการสอนมีความสามารถในการทำมีความสามารถในการปฏิบัติตัวท่านเองทำเองด้วยบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดจดสิ้นเชิงเนี่ย ก็ได้นำธรรมะนีมาสอนพวกเราทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้กลับมาที่ตัวแม่บทอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้คำสอนเนี่ยเพี้ยนไปการที่กลับมาอยู่ที่ตัวแม่บทอยู่เป็นประจำไม่ทำให้คำสอนเพี้ยนไปเนี่ยนี่คือการรักษาศาสนาตามบุรหังรักษาศาสนาด้วยการที่ทรงจำตัวแม่บทไม่ใช่แค่ทรงจำเท่านั้นหลวงคนทรงจำบทพยัญชนะ ประศูตรนั้นประสูนย์นี้ได้ดีแล้วแต่ให้เข้าใจความหมายถึงเนื้อหามันด้วยบางคนเข้าใจความหมายถึงเนื้อหาดีแล้วว่าข อ, อความนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันยังคือเป็นเหมือนกับแค่รักษาไว้เฉยแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของยังไม่ได้เอาธรรมะเน้นเนี่ยมาใช้งานพูดง่ายๆก็คือทําอาหารเฉยๆอ่ะเอาเครื่องปรุงมาปรุงทําอาหารอร่อยๆแต่ตัวเองไม่ได้กินหรอกแต่ถ้าจะให้ดีไม่ใช่แค่ทรงจํา ได้ถูกบทเพียนชนะเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้องด้วยแล้วก็นำธรรมะเนี่ยเข้าสู่ใจด้วยเข้าสู่ใจให้กิเลสมันลดลงทำการปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นได้อันนี้ถือว่าเราจะได้รับประโยชน์จากธรรมานี้อยู่อย่างเสมอเสมอวิธีการที่จะ น, นำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเข้าใจทั้งโดยบทเพียนชนะเนี่ยอันนี้คือที่ข้าพเจ้านำมาอา่านให้ท่านบุฟังฟัง ได้ฟังบทเพียงชนะลนะวันนี้ก็นํามาทําความเข้าใจในเนื้อหาอัฏฐะเป็นลักษณะของอัถาอธิบายซึ่งในการอถา ธ, ธิบายเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและตมุฟังท่านพระสารีบุตรท่านพระมหามโมคลณนะท่านพระมหากจานะสาวกชั้นนําชั้นนำเนี่ยต้องมีลูกศิษย์มากอยู่แล้วแต่มีลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยอาศัยปฏิบัติตามคําสอนอะไรต่างๆซึ่งก็มีการอธิบายว่า อ๋อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้อย่างนี้ใะเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันในการอัตตาอธิบายนี้ก็มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลละเพื่อให้เกิดความเข้าใจในอัตตานั่นเองในคําสอนของพุทธามีทั้งส่วนที่เป็นพยัญชนะมีความรัดกลุ่มรอบครอบไม่ละหลวมมีทั้งส่วนที่เป็นอัตตาที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโล ก, กุตละว่าเฉพาะดยเรื่องสุญญาตา เราไปทความเข้าใจตั้งพยัญชนะด้วยทั้งอัตตาด้วยอันนี้ถึงจะถูกต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติด้วยแปฏิบัติให้ธรรมะนี้มันเข้ามาอยู่ในใจของเราใได้ในสัปดาห์นี้พระสูตรที่นำมาให้เราบวงฟั่งนั้นมาในมัชฌิมานิกายมัชฌิมานิกายนี้ก็คือเป็นหมวดของพระสูตรที่เขารวบรวมมาไว้ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไป อยู่ในระดับกลางกลางถ้าเป็นหมวดยาวก็จะไว้ในหมวดที่เรียกว่าทีฆานิกากถ้าเป็นสั้นๆเรื่องที่ร้อยเรียงกันจะเป็นกลุ่มเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นสังยุตตานิกากถ้าหมวดที่เป็นข้อๆ อ, อันนี้ก็จะเป็นอังกุตรานิไกแต่ประสูต ท, ที่นำมาให้ธัมโมฝังฝั่งนี้ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปอยู่ในมัชฌิมานิไยชื่อพระสูตรชื่อว่าสลายตนะวิพังคสูตร มาในเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ617เป็นพระสูตรที่137ในมัชฌิมานิกายนี้เอาชื่อของพระสูตรนี้ซะก่อนตะงบุฟังทีเรีวยกว่าสลายตนะวิพังคสูตรเนี่ยคำว่าวิพังค์นี่คือหมายถึงการจำแนกแจกแจงการที่ตีความออกมาการที่ขยายความออกมาอันนี้คือลักษณะของวิพังคะสลายตนะนั่นก็คืออายตนะนั่นเอง อายตนะภายในอายตนะภายนอกอยากแยะแจกแจงไปในพระสูตรที่ชื่อว่าสลายตนะวิพังพระสูตรเนี่ยเป็นชื่อที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งขึ้นเองนั่นคือท่านพูดเองเลยว่าเอาวันนี้จะพูดเรื่องสลายตนะวิพังให้ฟังนะนั่นคือวันนี้จะอธิบายเรื่องของสลายตนะให้ฟังนะมีการแจกแจงอย่างไรอันนี้คือท่านเปิดเองชงเองกินเองนะโดยยกหัว ข, ข้อขึ้นมาก่อนว่า เอาอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะอย่างเราหกนะแล้วก็มีความนึกหน่วงของใจ18ทางดําเนินไปของสัตว์36อาศัยสิ่งนี้และสิ่งนี้มีสติ3ประการอันนี้เป็นลักษณะที่ปกติพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายธรรมะแบบนี้นั่นคือยกหัวข้อขึ้นมา ก, ก่อนแล้วก็อธิบายธรรมะไปแต่ซึ่งหลักการนี้เราเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่เทศสอนท่านก็จะใช้หลักการนี้เป็นส่วนใหญ่ นั่นก็คือว่ายกหัวข้อขึ้นมาก่อนวันนี้เฉพาดเรื่องนี้สา3อย่างนี้กอธิบายไปอย่างที่หนึ่งคือยอย่างนี้อย่างที่2องคือยอย่างนี้อย่างที่3ามคือยอย่างนี้มีตัวอย่างเอาวกกลับมาที่1เกี่ยวข้องกับ2อย่างนี้ไปเกี่ยวข้องกับ3อย่างนี้อันนี้จะเป็นหลักการอธิบายธรรมะซึ่งจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็นทำมาก่อนแล้วเป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงวิธีการอธิบายธรรมะแบบนี้ดซึ่งท่านพระสารี บ, บรุตรบางทีท่านก็นใช้พระมหากจานะบางทีท่านก็ใช้เทคนิคนี้ในการที่ยกหัวข้อขึ้นมาก่อนแล้วก็อธิบายไป ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะการบัญญัติสัพท์ด้วยเป็นลักษณะของการแจกแจงในความหมายด้วยสับแสงบางอย่างเช่นทางดําเนินแห่งจิตของสัตว์ความนึกหน่วงของใจซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขยังไม่ได้ให้ความหมายว่ามันหมายถึงอะไรอะไรนต่บอพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นการบัญญัติศัพ์ขึ้นมาพระสูตรนี้เป็นเรื่องาราวที่สําคัญมาท่านฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายพูดนะที่แบบ ขวนขวายในการนั่งสมาธิคิดว่าฉันจะหลุดพ้นในชาตินี้ให้ได้อย่างน้อยต้องได้เป็นโสดาบันอย่างมากต้องให้ได้เป็นพระอาหารหันต์แต่มีความคิดนึกในการที่จะทําตัณหาตามอวิชาให้สิ้นเนี่ยนี่แหละพระสูตรนี้สําคัญเพราะว่าเป็นวิธีการเรื่องราวที่เล่าบอกถึงในการที่เราจะเข้าสมาธิให้มันลึกลงไปทําสมาธิที่ลึกนี้ให้มันดีขึ้น บางทีสมาธิมันยังไม่ดีนั่งสมาธิแล้วยังมีหงุดหงิดเอ๊ะทำไมเป็นอย่างงั้นเราจะแก้อย่างไรก็ความในพระสูตรนี้เลยท่านผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเรื่องราวตัวนี้ตอนนั้นพระบรุทธเจาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีในวัดเชตวันก็ยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเลยคืออายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหหมวดแห่งวิญญาณหหมวดแห่งพัสสะหความนึกหน่วงของใจ 18. ทางดำเนินแห่งจิตของสัตว์ 36. แล้วก็การที่จะอาศัยสิ่งใดละสิ่งใดและสติ3ประการมีธรรมะอยู่ในที่นี้ทั้งหมด8หมวดด้วยกันใน4ข้อแรกทั้งหังก็คือเรื่องของอยนายตนะนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัธรรมารมอันนี้คืออยายตนะภายในและภายนอก เวลาที่มีอายตนะมากระทบกันตับฟังเช่นถาหูแล้วมีเสียงมาใส่หูเนี่ยมันก็จะมีการรับรู้การรับรู้นี้จึงเป็นวิญญาณแตหมวดที่1คืออายตนะภายในนะหมวดที่2คืออายตนะภายนอก6นะหมวดที่3ามนคือวิญญาณละวิญญาณนี่คือการรับรู้วิญญาณไม่ใช่จิตนะจิตตั้งหากไปทำหน้าที่วิญญาณจิตตั้งหากไปทำหน้าที่ในการรับรู้รับรู้ผ่านทั้งไหนก็ถ้ารับรู้เสียงเนี่ย มันจะมาผ่านทางลิ้นมันไม่ได้มันก็ต้องรับรู้เสียงผ่านทางหูเกาเรียกว่าจึงเป็นสโสตวิญ ญ, ญาณหรือวิญ ญ, ญาณทางหูแปลเป็นไทยว่าการรับรู้ทางหูบางคนก็จะแปลว่าการรู้แจ้งทางหูมาจากศัพ บ, บารีที่เรียกว่าสโสตวิญญาณหรือมีความคิดนึกมิตนาความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์ละอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งของชิ้นของละแต่เป็น นา ม, มาธาตุนา ม, มาธรรมเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมารมใช่ไหมหมายทางช่องทางคือใจแต่ธรรมารมณเนี่ยมันจะมาเกิดทางตาเนี่ยมันไม่ได้อย่างเช่นเราจะใช้หูคิดอย่างเงี้ยหรือเราจะใช้ตาคิดอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แต่ความคิดเนี่ยมันต้องอยู่ในช่องทางคือมโนคือใจนมโนคือใจตรงนี้ก็จะมีธรรมารมณ์มาเป็นตัวอิจตนะภายนอกก็จะมีผู้ที่มารับรู้ก็คือมโนวิญญาณ คือการรับรู้ทางใจเป็นโมโนวิญญาณที น, นี้พอมี3อย่างไะ้มาฟังคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณเนี่ยสอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นพัทธสัถ้าแปลว่ามีแค่2อย่างเช่นมีเสียงกับมีหูแล้วไม่มีวิญญาณหรือจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดเป็นพัทธสัขึ้นจะไม่มีการกระทบพัทธสันี่คือมาถึงการกระทบเกิดขึ้นจะไม่มีการกระทบ อย่าเช่นว่าบางทีเราอ่านหนังสือหรือกินข้าวอะไรแบบอย่างตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยคนมาตะโกนเรียกเราเราจะไม่ได้ยินมีหัวไหมหูก็ไม่หนวกนะก็มีอยู่มีเสียงไหมเสียงก็มีมากระทบแต่ว่าจิตก็เราเนี่ยไม่ได้ไปรับรู้จึงไม่มีการกระทบมีการรับรู้จึงไม่มีนั่นเพราะมไมมีการกระทบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราไปทําหน้าที่วิญญาณคือไปทําหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยก็จึงมีการกระทบเกิดขึ้นนันก็จึงมีอิจตนาภายใน อยายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณจึงเกิดเป็นผัสสะขึ้นอ น, น, นี้คือสี่หมวดแรกคืออยายตนะภายในหอยนายตนะภายนอกหวิญญาณหกผัสสะหก น, น, นี้คือเป็นพื้นฐานที่ให้ได้บูฟังได้เข้าใจแล้วนะว่าชีวิตของเราเป็นอย่างเนี้ยไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนผิวดําผิวขาวเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คนพานหรือบัณฑิตมั่งมีหรือยากจนเจ็บป่วยหรือสบายดี ก็จะมีอเหตนะภายในภายนอกวิญญาณผัสสะมีการทำงานแบบนี้อันนี้คือใน4หมวดแรกทีนี้มันเริ่มที่จะมีความซับซ้อนขึ้นพระพุทธเจ้าแจกแจ้งให้ลึกลงไปกันละว่าในทั้งหมด6อย่างที่ว่าในแต่ละหมวด4หมวดเนี้ยที่มีอย่างละหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไล่มาไลามา่ลามาเนียมันก็จะมีความที่เป็นโส ม, มนัสกับความที่เป็นโท ม, มนัส โสมนัสและโทมนัสในตาโสมนัสโทมนัสในหูโสมนัสโทมนัสในจมูกโสมนัสโทมนัสในลิ้นกายและใจไม่ใช่แค่โสมนัสและโทมนัสเท่านั้นนะยังมีอุเบกขาด้วยนั่นคือมีโสมนัสโสมนัสนี่คือหมายถึงความสุขโทมนัสนี่หมายถึงความทุกข์อุเบกขานี่คือหมายถึงความว่างเฉยโสมนัสเนี่ยก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขทางใจ โธมนัสนี่คือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทางใจแนาอุเบกานี่คือความหว่างเฉยเป็นได้ทั้งทางกายและทางใจแต่คือถ้าเราจะแยกสับให้มันชัดเจนนิดนึงเนี่ยถ้ารพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสุขและทุกข์หมายถึงสุขเบทนาทุกขเบทนาเนี่ยถ้าใช้แค่สองคำนี้แล้วก็ไม่มีคําอื่นเข้ามาแทรกด้วยพ่วงด้วยเนี่ยก็จะหมายถึงความสุขหรือความทุกข์ที่เป็นไปทางทางกายและทางใจ แต่ถ้ามีความสุขด้วยมีคําว่าโสมนัสด้วยมีความทุกข์ด้วยมีโทมนัสด้วยไอ้คําว่าสุขนี้ก็จะหมายถึงเฉพาะเจาะจงลงไปสำหาัความทุกข์หรือความสุขทางกายความทุกข์ทางกายส่วนความสุขทางใจความทุกข์ทางใจก็จะใช้คําว่าโสมนัสและโทมนัสแล้วก็ถ้ามีคําว่าโสมนัสหรือโทมนัสที่ไหนอันนี้คือหมายถึงเฉพาะเรื่องใจอย่างเดียวละเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางใจ นี่คือโสมณัตโทมณัตนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจเป็นทุกขเวทนาทางใจว่ากันตะน ะ, ก, ะนนก็ใช้คําว่าโทมนัตสุขเวทนาทางใจก็ใช้คําว่าโสมณัตส่วนอุเบกขาคือความวางเฉยนั้นเป็นได้ทั้งทางกายและทางใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความนึกหน่วงของใจภาษาบาลีที่ท่านใจก็คือมโนปวิจารน์เราสังเกตดูได้ท่านผู้ฟังเอาแค่หูไปเนี่ยท่านผู้ฟังชอบฟังเพลงหมอลำ ฟังเพลงแคนดีดพินอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีใครเปิดเพลงสมัยใหม่แล้วก็นักร้องก็พูดภาษาไทยไม่ชัดดนักเล่าสมัยใหม่เดี๋ยวบางทีก็ร้องเพลงไม่ชัดนะถ้าบูฟังคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีด้วยอะไรด้วยแต่ฟังๆดูแล้วมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าคนชอบฟังเพลงหมอลำดีดพินเป่าแคนแล้วมาฟังเพลงสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่แบบไม่ชอบเป็นโทมนัส ทางหูนะทางหูหรือถ้าในทางกลับกันคนฟังเพลงสมัยใหม่เงี้ยดนตรีทริงกีต้าอันปลัก๊กแล้วก็แหม่ให้มาฟังหมอลำโอ้ก็จะมีโทมนัสเกิดขึ้นทางหูนะอุเบกานี่ก็คือเป็นลักษณะที่แบบวางเฉยได้ไม่ว่าจะมาทางทางหูชมูกลิงกายหรือใจก็วางเฉยได้อันนี้ก็ยะเป็นความนึกหน่วงของใจก็คือ ทั้งหมดเนี่ยธัมมวังพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้นะเวทนาทั้งหมดเนี่ยจะประชุมลงในความทุกข์อะไรต่างๆมันก็จะมารวมลงที่เวทนาจะมาต่างๆต่างหูเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดขึ้นในใจตรงนี้มันก็จะมี3อย่างทีงนี้ไอ้เจ้าความนึกหน่วงของใจคือมโนปวิชชาเนี่ยก็ยังแยกไปพระพุทธเจ้าจำแนกแจกแจงออกไปว่ามันเป็นส่วนที่เนื่องกับเย้าเรือนและไม่เนื่องกับเย้าเรือน ก็มีนั่นคือเป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนเนื่องด้วยเย่าเรือนเนื่องด้วยการหลีกออกกรรมหลีกออกนี่ก็คือหลีกออกจากเย่าเรือนนั่นเองก็จึงคูนก็ไปอีก2องก็จึงเป็น36มหไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวกับเย่าเรือนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทางกามความสุขทางตาทางหูเป็นเรื่องที่มีความปรารถนารักใคร่พอใจที่ถ้าเคยได้หรือได้ในปัจจุบันก็ตามอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความโสมนัส ไม่ความสุขทางใจนะที่เนื oh ่องด้วยเย้าเรือนมันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ต้องระวังก็เรื่องของมโนเรื่องของธรรมารมณ์เนี่ยซึ่งเรานั่งสมา ธ, ธิบางทีบางคนนะนั่งสมาธิแล้วก็มีความโอ้ยสุขใจเย็นใจมากเลยนะพอได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยนะความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเป็นโซมานัสนะเป็นโซมานัทที่เป็นธรรมารม์นะเป็นธรรมรารมณ์แล้วก็ได้มาทางใจนะเป็นมโนนะแล้วถ้าเผื่อว่ามีความ ปรารถนาน่ารักใคร่พอใจมีความรื่นรมใจมีความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นในโสมนัสที่เกิดจากสมาธินนะนเนี่ยนะโสมนัสเนี่ยก็ได้เป็นโสมนัสเนื่องด้วยเย่าเรือนนะยังไม่เป็นการลีกออกจากเย่าเรือนนะถ้าเรืที่คุณทำสมาธินะแต่คุณเกิดความกำหนัดยินดีพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นอันนี้เป็นโสมนัสที่เนื่องด้วยเย่าเรือนอยู่นะผู้ที่ทำสมาธิตั้งหลายฟังให้ดี เพราะนั้นถ้าเรายินดีพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้ยังเนื่องด้ยวยเย่าเรือนอยู่ถึงแม้ตัวจะออกมาจากเรือนมานั่งสมาธิปฏิบัติ ธ, ธรรมก็ตามเอาแล้วความสุขที่ไม่เนื่องด้ยวยเย่าเรือนมันเป็นยังไงหรวงพุทนะธเจ้าได้บอกถึงต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาปัญญาในการที่เห็นความไม่เที่ยงดับไปในเวทนานั้นนี่ถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงเรื่องของมโนนะธรรมอารมณ์ต่างๆเนี่ยเรามีความสุขที่เกิดจากสมาธิก็จริงอยู่เป็นเวทนา แต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยปัญญาถึงความที่มันไม่เที่ยงมันทุกข์เป็นของที่ดับไปได้เนี่ย้าไม่เห็นนะอันนี้คุณยังมีความสุขที่เป็นเกี่ยวกับเย่าเรือนอยู่ยังกำนัดยินดีอยู่แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเออมันไม่เที่ยงนะแล้วเกิดเป็นโสมนัสขึ้นแล้วเกิดเป็นโสมนัสขึ้นความโสมนัสเนี่ยคือความโสมนัสแบบลักษณะที่หลีกออกในเรื่องของทานดาเนินไปแห่งจิต36อย่างในตัปฟัง ถ้าเราจะแบ่งเป็น2 ส, ส่วนนันคือส่วนที่ยังเกี่ยวกับเย่าเรือนก็ยังเกี่ยวกับหมุนวนไปวนมายังไม่หลีกออกได้นี่สิอย่างที่ไม่เดียวนื่องด้วยเย่าเรือนหลีกออกละอันนี้ก็เรียกมาในทางวิวัตตะละถ้าเป็นในทางเย่าเรือนยังหมุนวนไปวนมาเนี่ยยังเป็นทางวัตตะอยู่มี18อย่างคือสุขใจหกอย่างทุกใจ6อย่างอุเบกาก็อีก6อย่างเรื่องของหลีกออกจากเย่าเรือน ก็เป็นมาในทางวิวัตต์หรือออกจากเรือนเป็นในทางที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมหนายไกลกำหนัดนิพพานได้เนี่ยก็มี18อย่างเหมือนกันในะสุขทุกขแล้วก็อุเบกขาในเรื่องนี้พุทธพจน์ค่อนข้างอธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วในตระหนบับฟังฟังพระสูตรเนี่ยจะเข้าใจได้อยู่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่จะอธิบายเพิ่มเติมตรงจุดนี้ก็คือว่าเรื่องของอุเบกขาและกระทมนัน้คืออุเบกขาเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วสำหรับปุถุชน คนที่แบบไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเช่นว่าเราอาจจะเคยเห็นคนที่แบบเป็นคนพาลคนหลงคนไม่ดีว่าเงั้นเถอะนะไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่สนใจฟังคําสอนเนี่ยบางีเขาเดินไปตามห้าสรรพสินค้าเขาก็ไม่ได้ว่าจะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่เทียว่าจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะมีความวางเฉยได้บ้างเช่นเดินไปตามถนนหนทางเห็นอะไรมันโศกโกรกเออบางทีก็ไม่ได้ไปสนใจมันในการที่ไม่ได้ไปสนใจแบบมีอุเบกขาได้เงี้ย ถนนหนทางมันจะส่งผลอย่างไรฉันก็ไม่ได้รู้สึกขระหยากรแยงแฉันก็ไม่ได้รู้สึกพอใจอันนี้อุเบกขาแบบนี้เป็นอุเบกขาของปรชนเนี่ยยังเกี่ยวเนื่องด้วยเรือนอยู่ทีนี้ส่วนที่เป็นในการหลีกออกส่วนที่เป็นในการหลีกออกเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะของวิปัสสนาคือการเห็นตามที่เป็นจริงในภาษาทั้งหลาย6อย่างพอเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเนี่ยแล้วโสมนัสเกิดขึ้นแต่โสมนัสแบบนี้ก็เรียกโสมนัสที่เป็นไปในหักการหลีกออก แล้วถ้าบางทีอาจจะเกิดอุเบกขาขึ้นคือความวางเฉยอันนี้ก็เรียกเป็นอุเบกขาในลักษณะที่เป็นไปในการหลีกออกทีนี้โทมานัตตัมบูฟังบางคนอาจจะสงสัยว่าอา้าว่าหลีกออกแล้วเป็นเนื้อขมะแล้วไม่เกี่ยวนเนื่องด้วยเรือนแล้วไม่น่าจะมีโทมานัตเกิดขึ้นได้ประเด็นมาเกิดตรงนี้ทัมบูฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรามีความกระหยิมคือมีความปรารถนาในการที่จะได้ปัญญาตรงนี้แม้คุณนึ่งเขาได้การเขา ทำได้ดีทำไมฉันไม่ได้ฉันอยากจะได้บ้างเขาจะมีความทุกข์จะมีโทมนัสเกิดขึ้นโทมนัสที่เกิดขึ้นเพราะว่าความอยากได้ปัญญาตรงนี้นี่เรียกว่าเป็นโทมนัสที่เป็นเนกขมะดีไหมคำตอบคือไม่ดีเอาแล้วเราจะละโทมนัสที่เป็นเนกขมะอย่างเงี้ยที่จะหลีกออกเนี้ยได้อย่างไรตรงนี้จะเป็นธรรมะหมวดที่7ที่พระพุธทธเจ้าอธิบายในที่นี้ ที่ท่านบอกว่าอาศัยสิ่งนี้เพื่อละสิ่งนี้อาศัยอะไรเพื่อละอะไรสิ่งที่เราควรจะต้องละทะั้งบุฟังถ้าเราไล่มาตามลาดับเลยนะโทมนัตเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรจะต้องละมันเสียเราจะละโทมนัตที่เป็น ป, นปนในทางเย่าเรือนเนี่ยโหอยากได้แต่ไม่ไดนะ้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องปัญญงปัญญาเลยนะเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราอยากจะได้ไม่เคยได้แต่ อยากได้แล้วมันไม่ได้เนี่ยนะทั้งจะเป็นปัจจุบันก็ตามหรือว่าในการก่อนก็ตามที่ยังไม่เคยมีและมันกระดับไปแล้วด้วยเนี่ยไม่ได้เนี่ยเราจะละได้ก็อาศัยการหลีกออกที่เป็นโทมราร์ก็ได้พูดง่ายๆคือแทนที่คุณจะไปอยากทางตาทางหูจมกูกลิ้นกายเนี่ยนะคุณมาอยากในทางที่จะได้ปัญญาดีกว่าถ้าคุณต้องการอยากนะคืออยากเนี่ยมันทําให้เกิดความทุกข์แน่แล้วไม่ได้เนี่ย มาอยากในเรื่องปัญญาที่คุณยังไม่ได้จะดีกว่าเราจะละไอ้เจ้าโทมนัสคือความอยากได้อยากซื้อก็เป๋าอยากซื้อเครืงเกงอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เอาความอยากตัวนี้มาอยากได้ปัญญาในการเห็นตามที่เป็นจริงดีกว่ามันจะเกิดความทุกข์ใจก็จริงอ่ะแต่ยังเป็นความทุกข์ใจที่ดีกว่าเราจะละไอ้เจ้าโทมนัสที่เป็นทางเย่าเรือนได้ด้วยการหลีกออกเป็นความอยากเหมือนกันทําให้เกิดโทมนัสเหมือนกันแต่มันอย่างดีกว่า แต่ที่บอกว่าดีกว่าที่เป็นโทมนัสที่เป็นในการหลีกออกเนี่ยเราจะละได้เราจะละได้นะไม่ให้มันเกิดเป็นความอยากแล้วทําให้เกิดความทุกข์เนี่ยเราก็อย่าไปอยากมันเราก็อย่าไปอยากมันเราก็อย่าไปคิดว่าฉันต้องได้นะไอสมาธิแบบนี้หรือปัญญาแบบนี้แต่ว่าทําปัญญาให้เกิดขึ้นจริงๆเลยแตพอมีปัญญาในการที่เห็นตามเป็นจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความดับไปของเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นอดีตแล้วเนี่ย มันจะเกิดโสมนัตขึ้นแต่ความโสมนัตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะละโธมณัตที่เป็นเน้อขับ ม, มานี่ยได้จะละโธมณัตที่เป็นไปในการหลีกออกได้ด้วยโสมนัตที่เป็นเปนในการหลีกออกเหมือนกันโสมนัตที่เป็นไปนในาการหลีกออกนี่ก็จะละโสมนัต ท, ที่ทางเย้าเรือนได้ด้วยเหมือนกันคือบางคนมีความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ได้มีความสุขความสบายใจทางตาทางหูเนี่ยทำให้มันเหนือขึ้นไปดีขึ้นไปโดยการที่ให้เห็นปัญญาในสิ่งที่เราได้นั้นน่ย ว่ามันไม่เที่ยงนะมีความทุกข์นะเป็นของที่ดับไปได้แปรบรวนเป็นไปอย่างอื่นได้นะแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาตรงนี้แล้วคุณมีโสมนัตดีกว่าโสมนัตตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโสมนัตแบบเนคขมมะคือการหลีกออกอันนี้ดีขึ้นมาละอย่างไรก็ตามแต่บุฟังโสมนัตที่เป็นเนคขมมะเนี่ยมันก็ยังไม่ดีที่สุดเราจะละเจ้าโสมนัตที่เป็นเนคขมมะโสมนัตคือความสุขทางใจที่เป็นเป็นการหลีกออกได้อย่างไร พระพุทเจ้าแนะนําในที่นี้ท่านบุฟังบอกว่าใช้อุเบกขาคือแม้โสมนัสที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาเนี่ยที่เกิดจากปัญญาที่เราเห็นเนี่ยก็ให้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นอ่ะว่ามันไม่เที่ยงไม่กันแล้วเราก็จะมีอุเบกขาได้อุเบกขาที่เป็นไปในทางหลีออกตรงนี้จะละโสมนัสที่เป็นไปในทางหลีออกนั้นได้และโสมนัสเนกขมะจะละได้ด้วยอุเบกานกขมะและแน่นอนว่าเจ้าอุเบกานิขมะเนี่ยก็จะละเจ้าอุเบกขาที่เป็นไปในทางเย่าเรือนได้ คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นบุตรชนยังไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะไม่ได้ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าบางทีอาจจะวางเฉยบ้างในบางเรื่องบางเวลาได้ก็ให้มาศึกษาคำสอนทำการปฏิบัติให้ดีขึ้นก็จะมีความรู้ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าเข้ามาสู่หนทางเข้ามาสู่กระแสเริ่มเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะบ้างมีปัญญาบ้างคุณวางเฉยบ้างได้ในบางสิ่งบางอย่าง ด้วยปัญญาที่เรารู้เราเห็นอย่างนั้นการวางเฉยนั้นก็เป็นอุเบกขาที่เป็นเนกขมะเป็นอุเบกขาที่เป็นไปนในทางรลีออกจากเย่าเหรียนทีนี้เจ้าอุเบกขาตรงนี้ตั้ตงบูฟังก็ยังไม่ถึงที่สุดตอนนี้สําหรับนักปฏิบัตินะฟังให้ดีทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งพระปัญญาบอกว่าอุเบกขาแม้ที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยมันยังไม่ล่วงอํานาจของรูปเสียงกลิ่นรสปุถะและธรรมอารมณ์ไปได้ ยังไม่ล่วงไปได้เพราะมันยังอาศัยอายตนะคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นอยู่คุณถึงเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาที่ยังอาศัยสิ่งอื่นอยู่ยังเป็นไปเนื่องด้วยสิ่งอื่นยังมีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆมีตามีหูจนถึงใจเป็นต้นเนี่ยก็เร <c oughs> ียกว่านานัตตอุเบกขาและในอุเบกขานี้มันก็ยังมีสิ่งที่เหนือขึ้นไปเครียกว่าเป็นเอกตตาอุเบกขาคืออุเบกขาที่เป็นภาวะอันเดียว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายและใจละเป็นอายตนะใหม่ขึ้นมาละอันนี้คือในขั้นของอรูปสัญญาสมาบัตินะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นอรูปปัญญาอรูปปัญญาก็ไล่ไปนู้ฟังตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคนะที่หมายถึงว่าสมาธิที่ขั้นสูงขึ้นไป เพราะว่าในชา้น123 4มเนี่ยมันมีอุเบกขาอยู่ในชานที่สี่ใช่ไหมชั้นที่4ที่เป็นอุเบกขานี้ก็ยังอาศัยเรื่องของรูปยังต้มีการเพ่งยังต้องมีการที่ใช้อายตนะทั้ง6ทางอาหูจมูกลิ้นและกายและใจด้วยทั้ง6กทางนี้แต่ถ้าเราล่วงอายตนะทั้ง6ทางนี้แล้วเป็นอายตนะอันใหม่เกิดขึ้นอายตนะอันใหม่นี่ก็เรียกว่าอากาสาร น, นจายตนะคือเป็นอายตนะ ที่คุณสามารถที่จะเห็นอากาศว่ามันแบบไม่มีอะไรอากาศไม่มีที่สิ้นสุดหรือมีอายตนะอีกแบบหนึงที่สูงขึ้นไปอีกก็เป็นอายตนะที่จะเห็นวิญญาณได้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นล่วงอายทนะทางตาหูจมูกลิ้นกายละไรใจละเป็นอายตนะที่เป็นลักษณะของซอฟต์แวร์เป็นอายตนะที่มีลักษณะของมัโน่คือตอนเราพูดถึงตาเนี่ยยังเป็นฮาร์ดแวร์อยู่เป็นกองที่จับต้องได้อยู่หูนี่ยังเป็น มีรูปมีอะไรเราจับต้องได้เป็นของแข็งอย่างเป็นรูปธาตุแต่ถ้าเป็นอัจฉระที่เป็นนามธาตุเนี่ยยิ่งลักษณะสมาธิที่สูงขึ้นไปเหนือขึ้นไปนะี่ยพวกนี้คือลักษณะอุเบกขาที่เป็นภาวะอันเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวเราใช้อุเบกขาตรงเนี้ยตั้งบริฝังมาในการที่จะละอุเบกขาที่เป็นไปในเรื่องสิ่งต่างๆนั่นคืออาศัยอุเบกขาที่เป็นอารมณ์เดียว ละอุเบกขาที่มีอารมณ์เป็นภาวะต่างๆได้แล้วทีนี้อุเบกขาที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจะร้ายยังไงตอนนี้ระวังพระพุทธเจ้ายกศัพท์คำหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าอะตมมยตานะอะตมมัยตานั้นหมายถึงความที่แบบไม่มีตัณหานะเป็นผู้ที่อิงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาเป็นลักษณะที่แบบไม่รู้จะแปลไงถ้าเราจะแปลว่านิพพานมันก็ยังไม่ใช่มันก็จะไปสับซ้ํากัน แต่ว่านี้เป็นสับต่างกันเพราะฉะนั้นคือเป็นสาวาลักษณะที่แบบเราไม่เอาตัณหาอยาให้มีตัณหาแม้ในอุเบกขาที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็จะสามารถละอุเบกขาที่เป็นสภาวะอันเดียวนั้นได้แล้วในหมวดธรรมสุดท้ายในพระสูตรนี้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าอธิบายถึงสติสอย่างแต่สติ3อย่างในที่นี้คือเป็นสติของพระองค์เองในที่พระองค์เป็นผู้สอนเนี่ยว่าถึงแม้สาวกจะ ไม่ฟังคำสอนไม่ทำตามก็จะไม่ระกายเครื่องเพราะมีสติตั้งไว้ถึงแม้สาวกบางพวกจะไม่ทำตามบางพวกจะทำตามก็จะไม่ได้ชื่นชมคือเว้นความชื่นชมเว้นความไม่ชื่นชมมีความวางเฉยเสียอันนี้คือสติที่สองแล้วก็ถึงแม้สาวกทั้งหมดจะทำด้วยดีก็ตามอ่ะก็มีความชื่นชมอนุโมทนานะแต่ว่าไม่ระกายเครื่องมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ นี่เป็นสติสมประการคือถ้าเราจะมาประยุกต์ใช้สําหรับบุคคลทั่วไปนั่นก็คือว่าจะมีคนทําตามเราชอบใจหรือไม่ทําตามเราบอกหรือทําตามบ้างไม่ทําตามบ้างเนี่ยก็ตั้งสติเอาไว้ได้ไม่ไปยินดีไม่ไปพอใจไม่ไปไม่ยินดีไม่ไปไม่พอใจและในวาระสุดท้ายตรงนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงความที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า บทสวดที่เราสวดกันอยู่เรื่อยที่ว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารติในบทอิติปิโสเนี่ยเป็นผู้ฝึกคนที่คนฝึกได้ชนิดอย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเนี่ยฝึกยังไงนะคระท่านเปรียบเทียบกับช้างมา้าแล้วก็โคช้างมา้าโคที่ฝึกด้วยผู้ฝึกอย่างดีสามารถที่จะทําตามคําสั่งได้นะคบต้าเดินขวาเลี้ยวซ้ายถอยหลังวิ่งเร็ววิ่งช้าโอ้โ มีความชำนาญหมดเพราะว่าฝึกแล้วอย่างดีเช่นเดียกันสาวกที่พระพุทธเจ้าฝึกแล้วเนี่ยนะจะออกมายอดเยี่ยมกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเลยนันก็คือสามารถที่จะรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นัพระพุทธเจ้าได้ยกถึงเรื่องของทิ่ทั้ง 8. แตด่คือมีความเข้าใจในเรื่องรูปเรื่องสัญญาภายในมีความที่สามารถตั้งสติไว้ได้สามารถเข้าสมาธิใน ฌานสมาบัติขั้นสูงในเรื่องของอรูปสัญญาเป็นอุเบกขาที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยได้อันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะท่านผู้ฟังว่าถ้าสาวกที่ฝึกโดยพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะว่ายังไม่สามารถเข้าฌานสมาบัติในขั้นสูงได้เนี่ยก็เหมือนกับว่ายังได้ไม่เต็มที่แต่ยังมีเรื่องที่สามารถพัฒนาขึ้นไปให้ดีงามขึ้นไปกว่านี้ได้อีก ถึงแม้ว่ากิจอย่างอื่นในเรื่องของการทําตันหาให้สิ้นมันอาจจะสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วจบไปแล้วแต่เรื่องของสมาธินี่สามารถทําเพิ่มขึ้นได้ในประสูตเรื่องของสาลายะตนาวิปังกสูตรก็จบตรงนี้ทัง้งามดมีรายละเอียดที่น่าสนใจคือในการที่เราจะทําสมาธิให้สูงขึ้นดีขึ้นจะอาศัยอะไรเพื่อละอะไรอะไรที่เป็นโสมนัสเป็นโทมนัตหนึ่งด้วยเย่าเรือนและเป็นการหลีกออกเนี่ย เราทำความเข้าใจตรงเนี้จะสามารถที่ทําให้เรามีความก้าวหน้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมได้หรือแม้แต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังอยู่ครองเรือนเราเห็นขั้นตอนการพัฒนาจิตยอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะพัฒนาจิตเราให้สูงขึ้นดีขึ้นได้นั่นเองแต่ทางฝังยังมีคําถามข้อเสนอแ น, นะหรือสิ่งใดๆก็ติดต่อกับมาทางรายการได้ถ้าต้องการฟังพระสูตรเต็มๆซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่เว็บไซต์เพียว t รรมะ .com จะน่นก็สามารถ ฟังย้อนหลังส่งคำถามหรือดูคำตอบในเรื่องราวต่างๆได้เองวันนี้เวลาหมดแล้วตัวบุฟังขัพชาพระมหาภัยบูนาพิปุโนจากวัดป่าดอนหายสงฆ์เจริญพร